ข้อความในคัมภำเพคุถการนิกายพุทธวงศ์ต่อเนี่นะถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากักรุสันทมนุษย์มีอายุประมาณสี่0 0ื่ปีนนะแล้วก็มนุษย์สี่หม่นปีเนี่ยนะพอสิ้นาศาสนาอายุก็ลดน้อยถอยลงโดยลําดับไปจนถึงอายุประมาณ10ปีแล้วก็ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ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 อันนะลัทธิว่าหรือลัทธิที่หกสิบสฝ่ายประปักอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่สัตว์จำนวนสองหมื่นโกดจากนั้นพระชินะสัมพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์ต่างๆเสด็จไปยังเทวโลกก็ตอนที่พระองค์จะประจำพรรษาสแสดงอภิธรรมให้พุทธมารดาฟังอันนะพระองค์ประทับอยู่เหนือแท่นบรรดุกัมพลศิลาอานะเทวโลกพระมุนีพระองค์นั้นทรงจําพรรษาสแสดงพระพิธรรม7จ็ดคำพีสมัยนั้นอันนะ ได้มีเทวดาตรัสรู้ประมาณหมื่นโกดแสดงว่าครั้งแรกตรัสรู้สามหมืโกดใช่ไหมเ อ, เอาพูดประเภทตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆนะครั้งที่สองสองหมื่นโกดครั้งที่สามหนึ่งมโกดพันเจ็ดคำพีเนี่ยบรรลุหนึ่งมโกดพระโกนาขามณะพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพหรือผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาเนี่ยนะพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกพระอาหารหันต์ผู้คงที่ไร้มนทิน ครั้งเดียวในครั้งนั้นสันนิบาตการประชุมภิกษุสาวกประมาณสาม0มื่นะเอาคำว่าโกดออกนะภิกษุที่มาประชุมกันนะฟังโอวาทปาติโมมีสามหมื่นรูปข้ามโอคะทั้งหลายแล้วนะผ้าหันทุกองล้วนแต่ข้ามกาโมคะทิถโอคะโวคะและอวิโชคะเสร็จแล้วหักรานมัจจุเสียแล้วผ้าหันทั้งหลายล้วนแต่ข่าความตาย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 ในพัทกับนี้ท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะผ่านพระพุทธเจ้าองค์หน้าอีกองคหนึ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระตถาคตคือผู้บำเพ็ญบารมีอย่างเต็มเปี่ยมออกพิเนอภิเนสกรมจากกรุงกบิลพัทอันหน่ารื่นรมตั้งความเพียรทมทุกระกิริยาพระตถาคตเนี่ยประทับนั่งนโคนต้นอชปาลนิโครดรับเข้ามาทุ ป, ปายาตในที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชา พระชินพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสวยเข้ามาทุปายยาที่เรียมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพพฤกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้ณโคนโพพฤกชวต้นอสัต t ท่านผู้นี้จะมีพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดพุทธมานาพระนาง มายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้มีนามตามโคดว่าโคตมะจากมีอัคขาระสาวกชื่อว่าพระโวลิตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นสมัยพระพุทธเจ้ากัก ก, กุสันทะเนี่ยนะตอนที่พยากรณ์เนี่ยพระองค์ก็เห็นแล้วนะว่ามารเนี่ยจะไปเป็นสาวกข้างซ้ายใช่ไหแต่นี้สำหรับ ารายละเอียดตอนพระพุทธเจ้าโกนาคามณะไม่ได้กล่าวถึงพระโมคขาลานะว่าไปสร้างวีรกรรมอะไรอีกบ้างแต่ที่แน่ๆท่านเป็นนักบุญนะไม่งั้ น, นท่านไม่เป็นพระอรหันต์รอกท่านสอนเนี่ยพระตรัสรู้ตามมากนะผู้ที่เลื่อมใสท่านก็เยอะ ก, ก, ก็คือเป็นองค์ที่สามนะพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งพระสารีบุตรนับเป็นองค์ที่สองพระโมคขาลานะนับเป็นองค์ที่สพระมหากระสป่านับเป็นองค์ที่สี่เพราะว่านับมีอยู่นับอยู่เท่านี้ที่เหลือไม่แทบไม่นับเลย แทบไม่นับเลยว่ามีห้า8เจ็ดดนี่คือใครจะไม่นับนับอยู่4รูปเท่านั้นเองเออพระพุทธเจ้าพนามว่าโคโดมนะจะมีอุปพุทธะอุปถาคชื่อว่าพระอนันทะจากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จะมีอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระ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 ประชุมชนที่ทำบุญในพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็จะได้ตรัสรู้ในองค์ที่3ที่4และที่5ประชุมชนที่มาทำบุญในพระพุทธเจ้าองค์ที่สก็จะตรัสรู้ในองค์ที่4องค์ที่5ประชุมชนที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ก็จะตรัสรู้ในองค์ที่5้ามันกลับนี้จึงไปชื่อว่ากลับเจริญเป็นกลับที่เรียกว่าเหมือนกับมีท่าข้ามจากวัตฏะเนี่ยมากมายนะปัญหาว่าจะข้ามหรือเปล่าเแค่นั้นเองนะจะข้ามแต่รอก่อนนี้หรือเปล่า ไปไหมบอกไปแต่ยังไม่รีบขนาด น, า น, านั้นว่างั้นนะบอกจะศึกษาธรรมะไหมศึกษาแต่ว่ารู้สึกไม่รีบอะไรรอแก่ๆ ก, ก, ก่อนว่างั้นไม่รู้มองจากสายตาใครนะก็บอกว่ากา็อายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไปที่ไหนเขาก็เรียกย่าเรียกยายแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาแก่ๆ ก, ก, ก่อนนะมีครั้งหนึ่งไปกับโยมคนหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ไปไปคนเดียวนะแต่ว่าไปกันทั้งคณะทั้งขันรถแหละแล้วก็มีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกเดี๋ยวเขาแก่ๆก่อนนะเขาจะเรียน ถ้าเราก็ลืมหันไปดูเนี่ยนะเพรโอ้โหนี่ขนาดนี้ไม่แก่แล้ววะขนาดไหนก็ไม่รู้ไมร่มรู้มารอเมื่อไรหร่เพราะงั้นงั้นนะแล้วก็เลยบางท่านก็บอกว่ารุ่นช้ำเลียงลงกันแล้วก็ยังไม่สนใจเพราะงั้นอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยบอกโอ้ยไม่รู้ ร, รอให้บอกแก่ๆ ก, ก่อนไม่รู้ขนาดไหนก็ไม่ทราบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ขนาดเราเนี่ยนะพอไปเห็นเด็กปับ๊บโอ้โหเรามันแก่ขนาดนี้เลยเลยถ้าเห็นเด็กน้อยปั๊บเรารู้สึกเลยแม่ใจแป้วเลยว่าโอ้โหแก่ชราขนาดนี้แล้ว นะอย่างก็ว่ายุคนี้มนุษย์อายุสักอสศงไขปีนั่นแหละนะถ้าอายุสักอาศงไขปีก็เชื่อแล้วก็เด็กเยงควรจะมีสามีได้ต่อเมื่ออายุ500ปีเขาค ย, ยังชั่วหน่อยนะแต่นี้มันไม่ใช่อย่างนาั้นนี่มันหานเกือบหันสิทธิ์อยู่แล้วเลยนะอายุนิดเดียวอ่างนะั้นแล้วก็การที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นหลายๆองค์เนี่ยนะพอที่จะเป็นบุญวาสนาให้ให้อนานะ ช, ช่วยกันข้าม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 ว, วัดของพระโพธ네ิสัตว um. ์ทั้งหลายวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คืออะไรทานบารมีวัดในการให้ทานสมัยใหม่นี่เขาเข้าใจผิดเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะสร้างบารมีเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมาร่วมสร้างบารมีกันนะแปลว่าขอทุกท่านเอาของมาให้พระโพธิสัตว์ครับแปลว่าอย่างนั้นไม่รู้พระโพธิสัตว์กลุ่มไหนไม่ทราบแต่ว่าถ้าพระโพธิสัตว์ในพระไต่ปิฎกก็บอกว่าท่านเหล่านี้จะเอาอะไรไปให้ใครได้อย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหน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 โดยไม่จำกัดเจตนาที่จะให้ไม่จำกัดของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับเนี่ยนะ แล้วก็บำเพ็ญศีลบารมีเข้มงวดกับเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลให้เพิ่มพูนขึ้นอีกเจริญเนฆคัมมะสมถาวิปัสนาให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งครั้งสุตมยะปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญ า, า, า, ญญาอธิปัญญาสิกขาให้บริบูรณ์เพิ่มภาคเพียรในการจะให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะเพิ่มในการเจริญปัญญาทำด้วยความ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 พระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดามีอขออภัยนะอ่านผิดเมื่อกี้เมืองที่เกิดของพระพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมนะนั้นชื่อว่าเมืองโสพวดีเมืองโสพวดีนั้นมีกษัตริย์นามวโสพระนะปกครองบ้านเมืองนี้อยู่ส่วนพระองค์นั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมนะนั้นเป็นตระกูลใหญ่อยู่ในนครโสภวดีนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพัฒนามว่าโกนาคามณะมีพระพุทธบิดาเป็นตระกูลพราหม์ชื่อว่ายันยทัตเนี่ยนะลว่าผู้ให้การบูชายัน ย, ยันเนี่ยแปลหมายถึงการบูชานะถ้าตัแปล ว, ว่าให้ผู้ให้การบูชาชนานีพุทธมานดาชื่อว่าพราหมณีนางอุตราพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่สาม0ันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อว่าตุสิตะ สันดุสิตและสันสันตุถะสันโดษเนี่ยนะพระองค์มีนางบำเรอประมาณหมื่นหกพันนางภรรยาชื่อว่ารุจิคตาโอรสชื่อว่าสัทวาหะพระผู้เป็นบุรุษสูงสุดเนี่ยนะพระผู้สูงสุดในหมู่บุรุษทั้งหมดเห็นนิมิตสี่อภิเนศกรมด้วยยานช้างบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือน พระมหาวีระโกนาคมณะผู้นำโลกผู้สูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมราชนาแล้วประกาศพระธรรมจักนิมิขทายวันพระโกนาขมณะผู้เทเจ้าผู้มีพระยมีอัคารส า, าวกชื่อว่าพิโยสะและอุตตระพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระโสติชะเนี่ยนะโสติชะโสติเนี่ยแปลว่าสวัสดีชาแปลว่าเกิดผู้ให้เกิดแต่ความสวัสดี ผู้สร้างความสวัสดีสร้างความมีชัยให้แก่สัพรพสัตว์นะนะอุปถากของพระองค์เพราะว่าพุทธอุปถาโดยมากก็ทรงพระตรัยบิดกได้ยินคําสอนทุกทุกพยัญชนะหมดแหละพระองค์มีอักครสาวิกาชื่อว่าพระสมุทาและก็พระอุตราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าต้นอุทุมพรต้นอะไรเอ่ยบอกต้นมะเดือ่อ ใครไม่รู้จักมะเดื่อมา่ก่อนนี่มันมีอยู่ข้างหลังนี้อยู่ต้นหนึ่งโยมเขาไม่รู้บอกว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรมันขึ้นตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าต้นมะเดือ่ออุทุมพรเ น, นีนะมีอักรอุปถากชื่อว่าอุคคะและโสมเทวมีอักระอุปถายิกาชื่อว่าศีลาวาและสามาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงประมาณ30ศอกประดับด้วยพระรัศมีทั้งหลายสีของรัศมีนี่เหมือนกับแท่งทองในเบ้าช่างทอง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 เดี๋ยวก็อะไรนะเดี๋ยวว่าพระองค์เนี่ยจะดับขันปริณีผ่านตอนที่ยังน่าชื่นชมเท่านั้นพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยช่วยกันยกธรรมเจดีย์คือโพธิปัจจะธรรมที่ประดับด้วยธงผ้า ค, คืออริยสัตว์เนี่ยนะสัจธรรมทรงทำพวงมาลัยดอกไม้คือทําพวงมาลัยคืออริยมรรคเนี่ยนะ หรือโพธิปักคยธรรมเสร็จแล้วก็ดับขันธะปรินิพานคิดง่ายๆว่าเหมือนกับเจดีที่สําเร็จด้วยโพธิปักคยธรรมแล้วก็มีธงอยู่บนยอดธงอันนั้นก็คืออริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญโพธิปักขยธรรมให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจมันพวงมาลัยที่ประดับรอบทั้งหมดก็คือโพธิปักคยธรรมหรือธรร ม, มเทศนานั่นเองในที่สุดพระ พระองค์ด้วยพระสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยพิลาดด้วยฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ่สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประกาศพระธรรมอันเป็นสริริทั้งนั้นคือทั้งพระสงฆ์ด้วยทั้งพระองค์ด้วยก็อันตะทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้แสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้เพราะอะไรเพราะพระโกนาคมณะสัมพุทธเจ้าปรินิพานนวิหาร ปัปพระตารามพระบรมสารีริกธาตุแผ่กระจายไปเป็นส่วนส่วนณที่นั้นและพระธาตุของพระองค์ก็กระจายไปเนี่ยนะในอาตานาติยะสูตรเนี่ยนอบน้อมพระพุทธเจ้าโกนาคมณะว่าเลยขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์นช่ไหม ข้อความในมันทรธรัฐวิลาสนีอตกถาพุทธวงศัน น, นาวงของพระโกนาคมมณพุทธเจ้าที่23คือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่23ที่พยากรพระโพธิสัตว์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกลับนี้มันกล่าวว่าภายหลังต่อจากสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะ เมื่อพระาศาสนาของพระองค์อันตรธานแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีอายุสาม 0,000 ื่นปีหมายความว่าอันตรธานก็ลดลดลล ด, ลดไปจนถึงสิปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยแล้วก็ลดมาอีกเหลือสา0 0 0ื 30, ่นปีพระาศาสดาพระนามวโกนาคมาณะผู้มีไม้ดีดพินมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นหมายความว่าพระองค์เนี่ยดีดพินคือทําให้ให้ได้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เหมือนอย่างว่าผู้ที่ดีดพินบรรเลงเพลงทั้งหลายเพื่อยังความปราบปลื้มใจให้แก่ ชาวโลกเขาเรียกว่ากล่อมโลกให้เพลิดเพลินแต่พระพุทธเจ้านั้นแสดงพระธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มดำในอมะตะนั่นเองพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระองค์นี้ก็อุบัติขึ้นในโลกอีกนัยหนึ่งที่ชื่อหรือความหมายของโกนาคมณะแปลว่าเพราะเป็นที่มาแห่งอาภรณ์คือเครื่องประดับทองเป็นต้น พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เกิดขึ้นในโลกนะตามหลักที่บอกว่าอิทัตทาทัโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธมโมจะเทสิโตนิยานิโกุปสัมนิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตับปเวทิโตเนี่ยนะอะไรธรรมะเช้ า, ชาภาษาไทายภาษาบาลีนะนั่นแลหละเรียกว่าอิทัตถาคตโตโลเกอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุพโตโลกวิทูนะกันเดียวกันพระองค์ก็เกิดขึ้นในโลก บอกว่าทองเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับทองทั้งหลายก็ตกลงมาในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอุบัติพระองค์นั้นพระนาว่าโกนาคมันะโกนาคมันะเนี่ยนะก็คืออะไรแปลว่าพระองค์เนี่ยพอพระองค์เกิดมาพระฝนทองตกลงมาฝนทองตกลงม า, งงม า, าได้ยินในกลับนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากกุกกสันทะทรงเกิดในเวลาที่มนุษย์มีอายุสี่หมื่นปี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 จุติจากนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ชัน้นดุสิตดำรงอยู่จนตลอดอายุไขก็จุติจากสวรรค์ชัน้นดุสิตถือปฏิสนธิในครันของพราหมณีชื่อว่านางอุตราที่เป็นพุทธมารดาคำว่านางอุตราอุตระนี่แปลว่าเหนือหรือยอดเยี่ยมเยี่ยมกว่าคนอื่นในเรื่องรูปในความงามเนี่ยนางอุตระงามกว่าเพื่อนว่างั้นเถอะในความงามเสียงเพราะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นภริยา ยัญยทัตะัญทัตรพรามกรุงโสภวดีอยู่ในคันครบถ้วน10บเดือนเพราะว่าหญิงอื่นอ่ะนะเขาบอกว่าหญิงอื่นอาจจะอยู่เด็กเราอื่นที่อยู่ในคันของหญิงโดยทั่วไปบางคนเจเดือนบ้างบางคน8เดือน9เดือนบ้างบางคนเกินกว่านั้นบ้างแต่สำหรับพระโพธิสัตว์อยู่10เดือนเต็มนะนะก็เคลื่อนจากคันของพระชนนีณนะสุภวดีราชยุทธยานเมื่อพระองค์สมภพ